ทังบ้านเราต่อไปไม่อายใครเขาให้บ้านเราพัฒนามาเป็นที่หนึ่งสุดใจได้มีเพื่อนดีมากกลายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนทราบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยผลักดัน ให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝังฝันที่ฉันมุ่งหวังในใจต้องการเป็นความภาคภูมิจากรู้ม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคู่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 สัทธาบั กลัวมวงเรืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดังคูต้นตอสู้แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบาสงามตาจากวันนี้ไปได้นําความรู้สู่ยัง ้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมนอบนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลองวันทางศรัทธา สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรานําเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกันนะครับซึ่งในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวมีข่าวสารกันหลากหลายนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไปประชุมคอรมสัญจรแถวภาคเหนือตอนล่างนะครับน่ะ ตรวจงานที่พิจิตรที่นครสวรรค์มีการอนุมัติงบในการพัฒนา พ, นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันหลากหลายเลยทีเดียวนะครับนะก็ต้องดูดูรายละเอียดกันนะก็คือในส่วนของรัฐบาลลงไปในพื้นที่ก็ได้สัมผัสปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริงนะครับก็จะไดนะ้มีข้อมูลในการประกอบกันพิจารณาบริหาร ประเทศนะครับนะซึ่งก็น่าสนใจนะครับนะในการที่จะลงไปติดตามและก็ในในส่วนนี้เนะี่ยมีความเคลื่อนไหวคือนายงตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการไปเปิดประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยมีการจัดงานมีการประชุมสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านประมาณหมื่นสองพันคน วันที่1ิบสามิถุนายนที่ผ่านมาที่อิมเพ์เมืองทองเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการจัดมหากรรมและก็ยกกุญแจก็เปิดนะฮะกานิทรรศการเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐก็มีผู้บริหารหลากหลายสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน น, นับนับหมื่นคนนะครับมาซึ่ง ตรงนี้นี่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าจากการเปิดเผยของนายสมคิดจตุศรีวิทักษ์รองนายกตีที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องกองทุนหมู่บ้านก็บอกว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่ปีสอง8ห้าสิบแปดปีแรกนี่ก็ให้ไปหมู่บ้านละหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านบาทก็เป็นใช้วงเงินประมาณหกหมื่นล้านบาทในปี2 5 5 8ห้าบแด ในปี2559ก็จัดสรรเงอประมาณนี้อีกประมาณ 35,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็ได้ไปหมู่บ้านละ 500,000 ประมาณนะครับประมาณหมู่บ้านละ 500,000 ส่วนในปี2560ก็จัดสรรเงอประมาณอีกประมาณ 15,000 ล้านก็ตกหมู่บ้านละ2 0 0 0 0บาทนะครับตกหมู่บ้านละ 200,000 บาทสําหรับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ในส่วนนี้นี่ ในส่วนของปีสองพันรกสิบเอ็ดก็จัดงบประมาณที่อีกสองหมืนล้านก็ตกหมู่บ้านละสามแสนละครับซึ่งก็ไปทำกิจกรรมพัฒนาใ น, ในหมู่บ้านเพื่อที่จะสร้างผลผลิตนะครับนะให้ชาวบ้านได้มามีกิจกรรมมามีส่วนร่วมนะครับนะซึ่งก็เป็นแกนแกนกลางของกองทุนหมู่บ้าน ก, ก็จะเป็นสิ่งที่ดีละครับนะถ้ามีการใช้งบประมาณเหล่านี้มา ส่งอบรมอาชีพหรือส่งเสริมการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรก็ดีหรือว่าไปทำบางบางแห่งไปทำร้านค้าประชานักนะครับนะก็เอาเอ า, เอาสินค้าผลิตผลชุมชนมาจำหน่ายนะครับกันในหมู่บ้านในราคาถูกนะให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมนะซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในในฐานรากได้ พอสมควรเลยทีเดียวและนอกจากนี้นายกฤษดาบุญราฐรัตรีเกษตรกรก็บอกมีแนวคิดที่จะทำกองทุนสงข้อเกษตรกรนะบอกว่าจะนำเงินในกองทุนเนี่ยมาดูแลเกษตรกรชาวไร่ชาวนา ah นะให้มีสวัสดิการเหมือนเหมือนราชการแต่ก็บอกว่ามีเงินทุนอยู่ประมาณ 2900ล้านก็ถือว่าน้อยนะฮะยังยังน้อยมากเมื่อเทียบกับเกษตรกรซึ่งมีหลายสิบล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นโจทย์ที่กระทรวงเกษตรต้องไปไปคิดให้ให้มากนะครับนะว่าถ้าจะมาส่งเสริมตรงนี้นะอาจจะต้องมาเล่งเกี่ยวกับเรื่องของการนะยกระดับราคาสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะราคาข้ า, ขาวราคายางราคาอ้อยราคามันนี่จะให้ สูงขึ้นได้ไดอย่างไงนะครับคือจริงๆ ร, ราคาราคาข้าวเนี่สูงนะครับในช่วงนี้ราคาข้าวขายับสูงขึ้นแต่ว่าข้าวได้ได้ออกจากมือกเกษตรกรแล้วมาอยู่ในมือของพ่อค้าในมือของโรงสีเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ ก, ก็ก็ไม่ได้ตกถึงกเกษตรกรส่ว น, วนใหญ่ก็จะมาตกถึงพ่อค้าในหลวง롱สีเป็นหลักเพราะฉะนั้นอาจจะตรงนี้อาจจะต้องปรับเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการที่จะส่งเสริม สินค้าทางด้านทางด้านเกษตรนะครับนะซึ่งจริงๆกองทุนหมู่บ้านนี่ก็เป็ น, เ ป, นเป็นแกนกลางที่ทดําเนินงานมาต่อเนื่องก็น่าจะมีการส่งเสริมให้ใ ห, ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งตรง น, นี้อาจจะมาบว ก, กเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับหรือว่าการทําร้านค้าชุมชนที่เชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดี นะครับถ้าทำให้เข้มแข็งเนี่ยก็จะในอนาคตอาจจะเป็นเสาหลักได้เหมือนกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใ น, ในระดับชุมชนนะครับมารับฟังเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ กล่ำเกลือนฟืนคใจเอาด้ยครางรวนพี่ฮนคหนึ่งึงเจ้าฟังเสียงริงรีดเราี่ิง เ, ร เ, ร เ, เศร้าไม่ว่านูจากหน้า ห, าหน้าจาจอ ตัดรอนนิ่งตอกจดหมาย จะลืมพี่ลงอย่าเรือมลวงหน้องเอ๋ยเจ้าจงระวังยิ้มภายครางคลางลมอ่อนบอบ ต, ต้นตาเดียวจุบพื้นยืนต้นดังคนสุง พูดมาคุยกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันนะครับในส่วนการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมนําไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับรองนา ย, ยกรัฐมนตรีนายวิศนุเครืองามก็บอกว่าจะมีการนัดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรกตแล้วก็คณะกรรมการร่าง ธรัมนูญหรือกรทมีคณะกรรมาการกฤษฎีกาจะมีการนัดกันวันที่สิบสีมิถุนายนก็จะพูดคุยเตรียมความพร้อมว่าจะคุยปหาประเด็นที่จะไปคุยกับตัวแทนพรรคการเมืองนะครับว่ามีการคุยกันอย่างไรเพื่อที่จะวางรถแมพได้ว่าจะมีการเตรียมการเลือกตั้งกันได้อย่างไรอะไรต่างๆนะครับนั่นเป็นการเปิดเผยของ ลองนายกุมตรีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับนะซึ่งมีข่าวบอกว่าจะมีการเลือกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสสนี่ก็ต้องก็ต้องดูนะครับนะก็หลายหน่วยในเตรียมกลางไว้แล้วนะครับนะก็ต้องติดตามดูแต่ก็ยังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก่อน เลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งสสหรือหรือไม่นะครับนะซึ่งตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูแหละครับนะเพราะเป็นรองรัฐมนตรทีที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรส่วนยุทธศาสต ร, ร์ของของชาติเองนะครับเนี่ยที่มีการเสนอเข้าไปในที่ประชุมสโนชก็บอกว่าในกรอบศักด ฟูตากูลน้ำตีประจำสานักนายกเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบนะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยมีคณะกรรมการย่อยๆและบอกว่าจะประกาศใช้ยี่สิปีซึ่งก็มีฝ่ายที่หลากหลายมีความเห็นที่หลากหลายเหมือนกันก็ต้องติดตามดูนะแต่ว่าเป็นเปลี่ยนเรื่องของท่านตีกอบศักดิ์ฟูตากูนในวิศนุ ก, ก่าวอย่างนั้นนะครับส่วนนายนิพิษอินทรสมบัต รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าถ้าตอนนี้ น, นี่กกตนนยังไม่ได้แบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งนายนิพิษก็บอกว่าถ้าการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยถ้าช้าไปนะครับจะต้องรอให้กฎหมายพรบว่าด้วยสอสอเนี่ยมีผลบังคับใช้เนี่ยก็อาจจะฉุกละลุมอาจจะเตรียมการไม่ทันนะครับในส่วนของสอสอ เราหัวหน้าพรรคประชาธิปัตยนะ์เสนอบอกว่าให้ใช้มาตรา44ในการที่จะประกาศเขตเลือกตั้งนะครับเพราะตอนนี้นี่เขตเลือกตั้งนี่ยังยังไม่ชัดเจนทําให้บรรดาพรรคการเมืองผู้สมัครนี่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จะเข้าไปพบปะไปหาเสียงกันอย่า ง, งไรเพราะาตอนนี้นี่เขตเขตเลือกตั้งนี่ยังยังยังไม่มีความชัดเจนล่ะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น เป็นแนวคิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะที่ที่จะให้มีการใช้มาตรา44ในการที่จะประกศาศเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็มีการเสนอบอกว่ า, าก็มีการคืนเก้าอี้ให้กับในส่วนของอผู้นำผู้บริหารท้องถิ่นที่เจอมาตรา44นะก็เป็นสิ่งที่ดีนะในส่วนของพรรคการเมืองก็ตอบว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจะได้ให้เป็นบริหารนะ ท้องถิ่นนะซึ่งก็มีในส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายหลายแห่งนะครับได้รับคืนการคืนตําแหน่งแล้วนะครับนะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด4จังหวัดนะครับก็กลับไปทํางานในใ น, ในหน้าที่เดิมนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งนะครับเจอมาตรา4ี่สิบสี่เป็นผู้บริหารของหน่วยงานรัฐ ท, ที่ที่หลากหลายนะครับนะก็ จะทำอย่างไรที่จะมีการแก้ไขตรงนี้นี่คงจะต้องติดตามติดตามดูนะครับนะเพราะว่าหลังจากนี้นี่บรรยากาศก็น่าจะเริ่มคลี่ไข่นะครับหลังจากที่รองนังเตีาจจะพบปะกับพรรคการเมืองนะครับตัวแทนพรรคการเมืองก็จะหลังจากนั้นอาจจะมีการปลดล็อกนะให้พรรคการเมืองได้ทํากิจกรรมของของพรรคไม่ว่าจะเป็นการ เรียกประชุมสมาชิกนะมีการเสนอาวางแผนนโยบายนะครับประชุมสมาชิกแล้วก็มีการเสน อ, อนโยบายของแต่ละพักนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมในการที่จะเผยแพร่แนวคิดนะนโยบายสู่ประชาชนนะครับบรรยากาศ ก, าก็น่าจะเริ่มที่จะคลี่คลายนะครับนะในในในในเมชานะถ้ามีการพบปะกันแล้วแล้วก็ในตอนนี้ในในส่วนของ พรรคการเมืองใหม่นี่ก็สามารถที่จะทํากิจกรรมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเลือกหัวหน้าพรรคนะครับมีการประชุมสมาชิกนะอะไรต่างๆแต่ว่าในส่วนของพรรคการเมืองพรรคเก่าเนี่ยเขยังขยับไม่ได้นะครับยังนิ่งกันอยู่นะฮะเพราะว่าต้องรอการปลดล็อกจากคอสชอเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ก็ดีเพื่อไทยนะ ชาติไทยพัฒนาพักเก่าเกานีก็ยังขยับไม่ได้นะครับนะ ก, ก็ยังประชุมสมาชิกยังทำกิจกรรมไม่ได้นะครับนะก็คงจะต้องรอร อ, อกันอยู่นะครับว่าว่าจะเป็นไรนะจะเป็นอย่างไรนะเพราะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องอติดติ ด, ต, ดตามดูนะครับว่าจะจะปรับจะแก้กันอย่างไรนะครับในในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็ในส่วนของหน่วยเศรษฐกิจของของรัฐบาลก็บอกว่า มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นจริงๆมีการใช้จ่ายโครงการขนาดใหญ่ของของรัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการ EEC นะการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในภาคตะนออกนะครับนะซึ่งก็มีการเตรียมการที่จะมีการร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติระดับใหญ่ในการที่จะมาลงทุนในภาคตะนออกซึ่งต่อไปก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงกันกันมากแล้วครับนะถ้ามีบทดีของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับทางด้านอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่นะอาจจะเป็นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านดิจิตอลที่เข้ามาเห็นที่บอกว่ามีแจ็คมาอะลีบามาเนี่ยจะมาลงทุนนะนับหมื่นล้านเลยทีเดียวเนี่ย ก, ก็จะให้เปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองก็คือการวางเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลางนะครับความเร็วปานกลางที่เชื่อมโยงในส่วนของ นิคมอุตสาหกรรมในส่วนของภาคตะวันออกมาที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของจากในส่วนจากกรุงเทพจากสาระบุรีนี่ไปที่นครราชีมาแล้วไปที่หนองคายเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงจากจีนนะครับที่เชื่อมจากจีนตอนใต้มามาที่สปปออลาวลนะซึ่งเส้นทางนี้ก็จะเกิดการ เปลี่ยนแปลงการพัฒนามหาศาลแลครับนะเพราะว่าจะให้มีการติดต่อกันทางด้านการค้าการลงทุนเนี่ยมากมายมหาศาลซึ่งเราจะต้องอจับตามองกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงไทยของรายการแล้วครับชีวิตจะสั้นเพราะควนบุรีเรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุรีครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธนานต้องขอลาท่านไป ก, ก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ เจ็บจิงนอ้องน้ำตาจึงไหลไม่อยากรู้ในใจเธอคิดยังไงแค่ปลอบใจเจ้าก็เท่านั้นสิ่งใดใดให้มันผ่านไป สลายไปพลันจุดความฝันวันนั้นจะมา อยากจะรอ้องน้องร้องให้พอเจ็ดจริงนองน้ำตาจึงไหลไม่อยากรู้ในใจเธอคิดยังไงแค่ปลอบใจเจ้ก็เท่านั้นสิ่งใดใด ่านไปเก็บแรงใจวไว้ฝ่าฟันแม่เคยคลึมมีนานสลายไปพลันจุดความฝันวันนั้นจะมาถึงแม่เธอเคยจะเศร สถานีวิทยุกระจาย